พางภายอยู่ฝนที่้องกระน้งทามกลางคำว่าเราที่เป็นอดีตไปทามกลางเงาของไฟที่สะท้อนบนถนนใหญ่รับรู้ถึงความสาใจของใครบึงคน ใจที่ไม่มีใครสนทามลางยอดน้ำตาที่มันยังเร้นไหลหลอนเพราะรู้ว่าคนอีกคนเข้าไปมีใครเธอแกงที่ทำให้ฉันยังจงเธอไม่ลืมเธอแกงที่ทำให้ฉันดื่มดำกับความ เธอแกงที่ทำให้ฉันเจอใครกี่คนก็ไม่ทำให้ลืมเธอไปจากหัวใจฉันพาให้เธอทุกทางโอ้ที่รักฉันพาให้เธอทุกทางหมดหัวใจ กลางหัวใจฉันคิดถึงเธอทุก ไล่ โอ้ท oh, ี่ ทุกทางหมดหัวใจ หัวใจฝน้ฝ้าจะเป็นย่างไรหัวใจ